ธรรมะนั้นเป็นสวากขาธรรมธรรมะที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัดดีแล้วเป็นสันธิโกอันภูปฏิบัติผูได้บรรลุพึงเห็นเองภกาลิโกไม่ประกอบในการเวลา ซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยความว่าธรรมะที่กล่าวโดยปริยายหนึ่งก็ได้แก่สัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงหรือของจริงของแท้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งสั่งสอนตามสัจธรรมที่ได้ตรัสรู้นั้นและศาสนธรรมนั้นก็เรียกอีกว่าปริยัติธรรมคือเป็นธรรมะที่พึงเล่าเรียนอันได้แก่ตั้งใจสนับรับฟัง ตั้งใจอ่านตั้งใจท่องบนจำทรงตั้งใจเพ่งพินิจขบเจาะในทิฏฐิลงความเห็นคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องจึงนำมาประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมและเมื่อปฏิบัติ ก็ยอมจะได้รับผลของการปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงมรรคผลผนิพพานกำจัดกิเลสกองทุกข์ในสันดานในสินไปจึงเรียกรวบยอดว่าปฏิเวทธรรมธรรมะคือความรู้แจ้งแทงตลอดและก็มีแสดงว่ามรรค สี่ผลสี่นิพพานหนึ่งกับปริยัติธรรมรวมเป็นสิบนับถือว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นสาระที่สองหรือเป็นรัตนะที่สอง รวมอยู่ในคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสังฆะอันสัจะธรรมนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดำรงอยู่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดเพราะไม่มีการเวลาเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ที่ทรงอยู่ที่ดำรงอยู่ และาศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนก็เป็นอมตะวาจาเป็นวาจาที่ไม่ตายเป็นสัจจวาจาเพราะฉะนั้นจึงไม่ประกอบด้วยการเวลาเช่นเดียวกันดำรงอยู่ทุกกาลสมัยดังี้มีพระพุทธภาสิตรัสไว้ว่า ธรรมะของสัตว์บุตรทั้งหลายไม่เข้าถึงความทราคือความแก่ความจำรุดสุดสม้มดำรงอยู่ทุกการสมัยเพราะฉะนั้นาศาสนธรรมคือพุทธศาสนาจึงได้ดำรงอยู่ธรรมะของสัตว์บุตรทั้งหลาย ไม่เข้าถึงความทราคือความแก่ความจำรุดสุดโสมดำรงอยู่ทุกการสมัยเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคือพุทธศาสนาจึงได้ดำรงอยู่ปฏิบัติได้อยู่ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้โดยที่ไม่ มีข้อบกพร่องซึ่งจะต้องเพิ่มเติมไม่มีข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขเพราะเป็นสัจวาจาเป็นอรมตะวาจาวาจาที่เป็นสั จ, จเป็นจริงจึงเป็นวาจาที่ไม่ตายหรือไม่แก่ไม่ตายดำรงอยู่ดังกล่าว ในการปฏิบัตินั้นเราเึื่องเป็นปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติได้ทุกการสมัยปฏิบัติได้ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงบัดนี้และต่อไปก็ปฏิบัติได้ผู้ปฏิบัติเองเท่านั้นประกอบด้วยการเวลาคือปฏิบัติเมื่อนั้นเมื่อนี่ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเองจึงประกอบด้วยการเวลาแต่ธรรมะที่ปฏิบัตินั้นไม่ประกอบด้วยการเวลาอันหมายความว่าปฏิบัติได้ทุกการสมัยใช้ได้ทุกการสมัยและผลของการปฏิบัตินั้น อย่างหนึง่งประกอบด้วยการเวลาเพราะเกี่ยวแก่ผลที่เป็นสิ่งเนื่องมาจากเหตุปัจจัยภายนอกเนื่องมาจากสิ่งที่เป็นส่วนสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเช่นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็น อุปกรณ์ต่างๆที่ให้เกิดสุขให้เกิดทุกข์อันเกี่ยวกับโลกเกี่ยวแกัสังขารเกี่ยวแกัเหตุปัจจัยที่เป็นบุคคลบ้างเป็นวัตถุบ้างในภายนอกกล่าวรวมเข้ามาคือเกี่ยวแก่ส่วนที่เป็นร่างกายหรือเกี่ยวแก่นขันห้าซึ่งรวมเรียกว่า เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งก็ย่อมเนื่องในการเวลาแต่ที่ส่วนด้วยผลทางจิตใจแล้วไม่เกี่ยวด้วยการเวลาปฏิบัติทางจิตใจตามหลักอริยสัจอันเป็นหลักคำสั่งสอนหลักของพุทธศาสนาย่อมให้มังเกิดผลได้ทันที ว่าถึงในส่วนที่เกี่ยวแก่สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งสังขารภายในเขาคือเกี่ยวแก่เบญจขันธ์กายใจอันนี้หรือนามรูปอันนี้เกี่ยวแก่โลกธาตุเกี่ยวแก่เหตุปัจจัยที่เป็นบุคคลบ้างเป็นวัตถุบ้าง ดังกล่าวย่อมประกอบด้วยการเวลาเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสแสดงถึงเรื่องกรรมคือการที่บุคคลกระทําทางกายทางวาจาทางใจเป็นกายกรรมวิมจิกรรมมนโนกรรมเป็นฝ่ายชั่วอันเรียกว่าอากุศ ล, ลกรรมบ้างเป็นฝ่ายดีอันเรียกว่ากุ้ศรกรรมหรือบุญกรรมบ้าง บางอย่างก็ให้เสวยผลในปัจจุบันบางอย่างก็ให้เสวยผลในภายหน้าบางอย่างก็ให้เสวยผลในเวลาที่ถัดจากภายหน้าไปและความประกอบกระทากรรมนี้ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมะสมาทานแปลว่าสมาทานธรรมะ คือคือปฏิบัติธรรมะธรรมะสมาทานบางอย่างให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันด้วยให้ผลเป็นทุกข์ในภายหน้าด้วยธรรมะสมาทานบางอย่างให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าธรรมะสมาทานบางอย่าง ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าธรรมะสมาทานบางอย่างให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันด้วยให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าด้วยข้อที่หนึ่งธรรมะสมาทานที่ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันและให้ผลเป็นทุกข์ต่อไป ไปหน้าด้วยนั้นก็ตรัสยกอกุศลกรรมบททางกรรมที่เป็นอกุศลขึ้นเป็นตัวอย่างอากุศลกรรมบททางกรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นกายกรรมทางกายนั้นก็ได้แก่ปาณนาติบาต คำสัตว์มีวิถีชีวิตให้ตกล่วงไปอทินาทานถือเอา ส, สิ่งของที่เจ้าของเ็าไม่ได้ให้หดืออาการเป็นขโมยกาเมสุมิชฌาจารย์เรื่องพืผิดในกามทั้งหลายอาคุศนกรรมบททางวาจาที่เรียกว่าวิจีกรรมก็ได้แก่บุสาวาดผุดเทศ็ศ ปิสุนาวาจาวาจาโสเยดภารุษะวาจาวาจาหยาบสัมผัสปลาวาสัมผัสปลาวาจาวาจาเพอเจอเหลวไหลอกุศลกรรมบททางใจอันเรียกว่ามโนกรรมก็ได้แก่พิชชา ลบเห่งเลี้ยงทรัพย์สมบัตขิของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทมุงรายปองรายผู้อื่นมิชาทิฐิเห็นพิ จ, จะครองธรรมพูดที่ประพฤติปฏิบัติกระทอาอกุศลกรรมหมดเหล่านี้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยใจที่เป็นทุกข์เดือดร้อนและเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ต้องได้สวยผลของอกุศลกรรมเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าด้วยเรียกว่าเป็นธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบัน และให้ผลเป็นทุกต่อไปภายหน้าด้วยส่วนข้อสองธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันแต่ว่าให้ผลเป็นทุกต่อไปภายหน้าก็ได้แก่ปฏิบัติกระทาอาอุสนกรรมบมทเหล่านี้อยู่ในปัจจุบันด้วยใจที่ราเริงเป็นสุข สนุกสนานก็อาจจะเทียบยกตัวอย่างเช่นว่าเล่นกีฬาสนุกแบบไปล่าสัตว์ตัดชีวิตไปตกปลายิงเนื้อเป็นต้นเป็นการกีฬาเป็นการสนุกสนานแต่ว่าจะต้องเสวยผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าก็ชื่อว่าเป็นธรรมสมาทานที่ให้เสวยผลเป็นสุขในปัจจุบัน แต่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปภายหน้าส่วนข้อสธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นสุขต่อไปภายภายหน้าก็ได้แก่ไหวกุศลกรรมมบดอันตรงกันข้ามทางกายกรรมก็เช่นการไม่ขาดสัตว์ชีวิตไม่ลักทรัพย์ ไม่พูดผิดในทางกรรมทางวาจาก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อเลี้ยวไหลทางใจที่เป็นมนโนกรรมก็คือไม่โลภเพ่งเลงทรัพสมบัติของมื่ออื่นมันเป็นของตนไม่พยาบาทปองไรผู้อื่นและ เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบเมื่อกระเพิดปฏิบัติกระทากุศละกรรมบดเหล่านี้ด้วยทุกโทมนัดเช่นต้องจำใจทำหรือว่าต้องลำบากในการกระทาก็เป็นการเสวยผลไปทุกอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้า ก็ชื่อว่าเป็นธรรมสมาทานที่ให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้สุขต่อไปภายหน้าข้อ4่ธรรมะสมาทานที่ให้ผลเป็นสุขในปัจจุบันด้วยให้ผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าด้วยตัวยกตัวอย่างกุศลกรรมบดทั้งหลายดังกล่าวในขณะที่ปฏิบัติกระทำอยู่ในปัจจุบัน ก็ทาด้วยสุกโสมนัสต่อไปภายหน้าก็ในสุขโสมนัสก็เป็นธรรมะสมาทานให้ให้สวยผลเป็นสุขในปัจจุบันและให้สวยผลเป็นสุขต่อไปภายหน้าธรรมะสมาทานหรือการกระทํากรรมดีกรรมชั่วดังกล่าวมีการให้ผล ประกอบด้วยการเวลาก็เพราะว่าเกี่ยวแก่สุขสมนัตหรือว่าเกี่ยวแก่สุขทุกเกี่ยวแก่เหตุปัจจัยที่นำให้ได้สุขได้ทุกซึ่งเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเกี่ยวแก่นามารูปอันนี้ ชีวิตร่างกายอันนี้และเกิดจากวัตถุทั้งหลายในโลกบุคคลทั้งหลายในโลกเป็นต้นที่เกี่ยวข้องอันล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าเกี่ยวแก่ภายนอกเหล่านี้จึงเรื่องในการเวลาในการปฏิบัติเกี่ยวแก่บุคคลเกี่ยวแก่เทสะ เกี่ยวก่สิ่งทั้งหลายในโลกต้องอาศัยการเวลามาประกอบเพราะฉะนั้นยังได้ตรัสสอนไว้ว่าให้มีการการันยูรู้จักการเวลาส่วนที่ไม่เกี่ยวแก่การเวลาก็คือเ ก, เกี่ยวแเกี่ยวกภูมิชั้นในจิตใจโดยตรง เกี่ยวก่ข้อปฏิบัติทางจิตใจโดยตรงซึ่งเข้าหลักอริยสัจทั้งสี่ไม่เกี่ยวกับการเวลาคือแม้ในการที่ประกอบกรรมต่างๆดีหรือชั่วหรือสมาธานธรรมะอันเรียกว่าธรรมะสมาทาน ฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลเมื่อสมาทานฝ่ายอกุศลประกอบกรรมฝ่ายอกุศลก็เป็นคนชั่วขึ้นทันทีภูมิชั้นของตนของจิตใจก็เป็นชั่วขึ้นทันทีเมื่อสมาทาน ฝ่กุศลประกอบกรรมที่เป็นกุศลภูมิชั้นของตนของจิตใจก็เป็นคนดีขึ้นทันทีภาวะของตนของจิตใจอันเป็นส่วนภายในนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาทําดีเมื่อใดก็เป็นคนดีเมื่อนั้นทําชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วเมื่อนั้น ตนเองจะรู้หรือไม่รู้ตนเองคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นประมาณแต่ว่าเมื่อทำชั่วก็ต้องเป็นคนชั่วขึ้นทันทีเมื่อทำดีก็ต้องเป็นคนดีขึ้นทันทีนี้ในส่วนกรรมไม่ประกอบด้วยการเวลาแต่ว่าที่ส่วนที่เกี่ยวกับส่วนภายนอก เป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆเป็นพ้นที่เกี่ยวกับสุขทุกข์ต่างๆนั่นจึงประกอบด้วยการเวลาเป็นภายนอกเป็นส่วนสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งในภายนอกเป็นส่วนโลกภายนอกส่วนตนที่เป็นภายในจิตใจที่เป็นภายในของทุกคนนี่ ไม่ประกอบด้วยการเวลาอย่างนั้นแต่ว่าในข้อนี้ต้องอาศัยปัญญาที่พิจารณาดูตามเหตุและผลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วจึงจะเข้าใจในสัจจะคือความจริงข้อนี้และเมื่อเข้าใจในสัจจะความจริงข้อนี้ได้ก็จะให้ผลดีกับตนเองมากทำให้ตนเอง เกิดฮีริความละอายใจต่อความชั่วตังเกตต่อความชั่วอดตปะความเกรงกลัต่อความชั่ ว, ว, เ, ว, วเว้นความชั่วมีฉันทะในอันทำความดีหรือกล่าวเป็นสับแสงว่าเว้นอกุศลธรรมมาสมาทานเว้นอกุศลกรรมแต่มาประกอบ กุศลธรรมสมาทานประกอบกุศลกรรมต่างๆและเมื่อพิจารณาตรงเข้าในหลักอริยสัจเมื่อมีสมุทัยเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์อันเรียกว่าทุกขสมุ ท, ทยัยคือตัณหาความริ้นรนทยานอยากสืบมมาถึงอุปาทานความยึดถือ เมื่อมีความอยากความยึดขึ้นในสิ่งใดในเวลาใดก็เกิดทุกข์ขึ้นในสิ่งนั้นในเวลานั้นทันทีเมื่อดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถือยึดถือในสิ่งใดเวลาใดก็ดับทุกข์ในสิ่งนั้นในเวลานั้นทันที เป็นอาการลีโกไม่ประกอบวยการเวลาคือไม่ต้องรอว่าจะปฏิบัติแล้วจะต้องไปได้รับผลเป็นทุกข์หรือเป็นความดับทุกข์เมื่อ น, นันเม น, นีได้รับผลที่สืบเนื่องติดต่อไปทันทีตั้งแต่ในขั้นปฏิบัติเบื้องตน้นที่สามัญชนทุกคนปฏิบัติกันอยู่ และก็เป็นดังนี้เรื่อยไปจนถึงเป็นอริยมรรคอริยผลเมื่อเป็นอริยมรรคก็สืบต่อเป็นอริยผลขึ้นทันทีไม่มีขั้นคือไม่มีระยะเวลาที่ต้องรอต้องเว้นไม่มีขั้นผลติดต่อกับเหตุทันที ผลติดต่อกับมรทันทีและผลติดต่อกับเหตุทันทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีในตอนเป็นมรเป็นอริยมรอริยผลย่อมมีอยู่ในตอนที่เป็นปัจจุบันเบื้องต้นที่ปฏิบัติกันอยู่นี่แหละมีตันหาอุปาทานขึ้นก็มีทุกข์ขึ้นทันที ดับตนาวปาทิานได้ก็ดับทุกได้ทันทีเป็นเหตุและผลที่ติดต่อกันไปทันทีทั้งไยเกิดทุกข์ทั้งฝ่ายดับทุกขเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาแต่ว่าเพราะภูมปฏิบัติเองมีการเวลาในการปฏิบัติ คือปฏิบัติเมื่อ น, นั้นปฏิบัติเมื่อ น, นี่ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติทีบ้างและสําหรับสามัญชนส่วนใหญ่นั้นไปปฏิบัติในด้านตรงกันข้ามไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัติในด้านดับทุกแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ใช่เช่นนั้นที่เป็นบุตุชนอยู่นั้น ย่อมปฏิบัติในด้านก่อทุกข์กันอยู่เสมอเรียกว่าเป็นอากาลิโกกันอยู่ในด้านก่อทุกข์เพราะว่ามีตัณหามีอุปาทานประจํามาอยู่ในจิตใจทั้งที่เป็นส่วนละเอียดคือเป็นตัณหาหนุสัยตัณหาที่นอนเนื่องอยู่ในใจทั้งที่เป็นส่วนหยาบ ขึ้นมาเป็นตัณหาที่บังเกิดขึ้นในใจอยากได้โน่นอยากได้นี่ ย, นยึดน่นยึดนี่และที่เป็นอย่างหยาบขึ้นมาอีกจนถึงให้ละเมิดออกทางกายทางวาจาทางใจคือเป็นกรรมยากกรรเป็นกรรมที่เป็นกายกรรมมจีกรรมมนุกรรมต่าง ดังที่กล่าวมาในเบื้องตดและเมื่อเป็นฝ่ายชั่วเรียกว่ากรร ม, มกิเลสหรืออกุศลกรรมดังที่พระพุทธเจ้าตรั้กรรมกิเลสไว้มีการฆ่าการลักการพูดปดการพูดผิดการการพูดผิดในกรรมการพูปดปดเพราะฉะนั้นจึงรเรียกว่า สามัญชนหรือบุตรชนทั้งปวงนั้นเป็นอากาลเลโกอยู่กับทุกข์กับทุกขสมบทยเป็นพื้นประจําอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีกิเลสส่วนที่หยาบมากหรืออกุศนกรรมดังที่พระพุทธเจ้ารักรรมมกิเลสไว้ มีการฆ่าการลักการพูดปดการพูดผิดการการพูดผิดในการการพูดปดเพราะฉะนั้นยังรเรียกว่าเรียกว่าสามั ญ, ญชนหรือบุตุชนทั้งปวงนั้นเป็นอาการลีโกอยู่กับทุกกับทุกขสมุทไทยเป็นพื้น ประจำอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแม้ว่าจะไม่มีกิเลสส่วนที่ยากมากก็ยังมีกิเลสส่วนที่ังเกิดอยู่ในใจหรือแม้ว่าแม้ว่าใจจะสงบก็ยังมีส่วนในเป็นอนุัยนอนเนื่อนอยู่ในใจเพราะฉะนั้นจึงอยู่กับกิเลส ไม่ไกลกิเลสอยู่ใกล้กิเลสอยู่กับกิเลสเป็นอากาลีโกอยู่กับกิเลสจึงเป็นอากาลิโกอยู่กับทุกข์คือมีกิเลสอยู่เรื่อยมีทุกข์อยู่เรื่อยไม่กําหนดว่าเวลาไหนก็ค่อยืมคําว่าอากาลิโกมาพูดในทางนี้ว่าสามัญชนหรือบุตรชนมักจะเป็นกนอยู่ดังนี้ ยังมีตันหาความลิ่นลนทยานอยากมีอุปาทานความยึดถือเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทุกข์ฉะนั้นถ้าหากว่ามาปฏิบัติกระทำให้มากในฝ่ายดับทุกข์คือลดละตันหาความลิ่นลนทยานอยากอุปาทานความยึดถือ เมื่อละตันหาความลิ้นรนทยันอยากอุปาทานความยึดถือได้ก็ละทุกได้ไม่มีอะไรเข้ามาทําใจที่ละตันหาอุปาทานให้เป็นทุกข์ขึ้นได้มนุษย์ก็ทําไม่ได้เทวดาก็ทําไม่ได้พรมก็ทําไม่ได้ที่จะทําใจที่ ละตันหาอุปาทานนั้นให้เป็นทุกข์ที่มนุษย์วยกันทำได้เทวดาทำได้พรหมทำได้นั้นก็เพราะว่ายังมีตันหามีอุปาทานอยู่ในมนุษย์บ้างในเทวดาบ้างในพรหมบ้างในมารบ้างในวัตถุต่างๆบ้างจึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ในใจ ยึดเอาสิ่งใดเข้ามาก็มีสิ่งนั้นตั้งอยู่ในใจยึดเอาทรัพย์สินเงินทองเข้ามาทรัพย์สินเงินทองก็ตั้งอยู่ในใจยึดเอามนุษย์คนไหนเข้ามามนุษย์คนนั้นก็ตั้งอยู่ในใจยึดเอาเทวดามารพรมอง์ไหนเข้ามาตั้งอยู่ในใจเทวดามารพรมนั้นก็มาตั้งอยู่ในใจจึงอยู่ที่ความยึดเพราะฉะนั้น เมื่อกำหนดดูให้รู้ดังนี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อละตันหาความลิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถือไม่อยากไม่ยึดปล่อยวางเมื่อเป็นดังนี้ทุกอย่างนั้นก็ตกไปจากใจหมดไม่ตั้งอยู่ในใจทุ ก, ก็ตกไปหมดจากใจแล้วก็ตกไปทันทีสืบต่อกันทันที ดับตันเท้าปาทานเมื่อใดทุกกระดับวันนั้นต่อกันทันทีไม่มีขั้นไม่มีอะไรในระหว่างเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนี้เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจภูมิชั้นของตนซึ่งเป็นภายในย่อมเป็นอยู่ดังนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาการปฏิบัติทางจิตใจ พร้อมทั้งกายวาจาตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นมาจนถึงมรรคผลนิพพานก็ยังเป็นดังนี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทำสมาธิสอนให้รู้จักนิมิตเครื่องกำหนดสมาธิสอนให้รู้จักบริขารเครื่องบำรุง เรื่องใช้ของสมาธิให้รู้จักสมาธิภาวนาอบรมสมาธิโดยตรัสสอนไว้โดยใจความว่าสมาธิก็คือเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวหรือความมีอารมณ์อันเดียวของจิตชื่อว่าสมาธิ สมาธินิมิตเครื่องกําหนดแห่งสมาธิสติที่กําหนดดูให้รู้ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นสมาธินิมิตสำรักพิบริขารเครื่องใช้สอยของสมาธิเครื่องอาศัยของสมาธิก็คือปรธานะการตั้งความเพียรสมาธิ เวานาก็คือการปฏิบัติอบรมกระทําให้มากซึ่งสมาธิต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป